ให้พวกเราทุกคนมากันปั้งใจความเปลียนแปลงธรรมาให้มากอย่าปล่อยจิตปล่อยใจของเรานั้นไปขับเรื่องทางโลกต่างๆมันเป็นเรื่องไร้สาระเมื่อเราเข้ามาบวชมาปฏิบัติธรรมนั้น ต้องควบคุมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องทงโลกหรือปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไม่่อให้เกิดสมาธิไม่่อให้เกิดปัญญานั้นเราทุกคนควรที่จะสำรวมจิตใจเรานั้นให้มีสติให้มีปัญญา ในความสงบของศีลของสมาธิของปัญญาการปล่อยผิดปล่อยใจของเรานั้นไปกับอารมณ์ทั้งหลายย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ไปในจิตใจงเรานั้นนับพบนับชาตไม่ดวนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์อันเป็นความเคยชินไปในจิตใจของเรา พความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างไปในใจ เ, เรานั้นจิตใจ เ, เรานั้นตกเป็นทาสของกิเลสย่อมคิดนึกปรุงแต่งไปในเรื่องของกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะแยกกิจออกจากอารมณ์ได้แม้นอารมณ์ที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นใจของเรานั้นก็ไม่รู้จักว่าอันนั้นเป็นกิเลส เพราะจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อที่จะให้เข้าไปรู้เรื่องของภายในจิตใจของเราว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในดวงใจของเราซึ่งโดยปกติแล้วความเข้าใจความรู้ของเรา ซึ่งเป็นความรู้ตามสัญญาคือความจำนั้นเราทุกคนก็รู้ว่าความโลภเป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสราคาความกำนักบินดีในการทั้งหลายเป็นกิเลสอันนี้เป็นความรู้แต่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นจิดของเรานั้นก็ไม่รู้เท่าทานอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิดของเรานั้นก็ยึดมั่นถือมั่น ในลมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นกิตใจของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นไปในจิตใจเราอยู่เสมอความเล่าร้อนความ ก, นกวนวายคนคนเกิดขึ้นไปในจิตใจเรานี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมีปัญญาในการที่จะดูแลรักษากจิตใจเรานั้นให้ปรับสกัดกิเลสไปในใจเรา ด้วยการทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจเรานั้นมีความปรุงสร้างไปในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องทั้งโลกจิตใจเรานั้นปุุงแต่งไปในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเราก็ต้องควบคุมจิตใจเรานั้นให้เป็นสมาธิธรรมเกิดขึ้นภายในใจเราด้วยการความภาลบความเพียนอยู่เสมอตั้งแต่ตืน่นแต่จำวัดเราจะต้องมีสติ กำกับจิตแจงเราไปตลอดทุกๆขณะจิตนอกจากเปิดสติเมื่อเปิดสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่เฝ้าดูแลรักษาจิตแจงเราไปตลอดทุกๆเรียบทไม่ว่าจะยดินเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่พึ่งมีสติกำกับใจของเราไปตลอดถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตแจงเราไปทุกๆขณะจิต อารมณ์หรืกิเลสเกิดขึ้นในใจงเราเราจะเห็นเมื่อเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจงเราเราก็จะเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิด ท, ทุกข์เราก็จะพยายามที่จะดับความทุกข์ภายใ น, ใ น, ในใ จ, จิตใจของเราเมื่ อ, อลมเกิดขึ้นสติปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ไขาอารมณ์ออกไปจาก จ, จิตใจของเราได้เราก็ต้องอาศัย การทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะตัดอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตใจเสียก่อนให้จิตใจเรานั้นมีกำลังเกิดขึ้นเพราะถ้าจิตของเรานั้นไม่มีกำลังจิตของเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะยกอารมณ์ออกจากจิตใจเราได้ไม่สามารถที่จะชนะกิเลสภายในจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเรานั้นให้มีกำลังขึ้เนเข้มแข็ง ด้วยการฝึกทำสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากจะอยู่ในยาบทนั่งสมาธิก็ตามหรือเดินจงกรมก็ตามหรือในยาบททั่วไปก็ตามพึงมีสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องเมื่อเราทำสมาธิต่อเนื่องความสงบก็เกิดขึ้นไปในจิตใจเราอาจจะเกิดขึ้นในยาบทนั่งสมาธิก่อนในเบื้องต้น เมื่อออกจากปียบทนั่งสมาธิเราก็มีสติกำหนดสติรักษาจิตใจเราต่อไปเมื่อเราเดินนิ่งกรมจิตใจเราก็สงบความสงบความเดชเป็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อออกจากปียบด์เดินนิ่งกรมเราก็กำหนดสติรักษาจิตเราต่อไปทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องในทุกๆปียบทไม่ว่าจะเดนเดินนั่งนอน จิตแจงเราก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นจิตแจเราเนั้นก็เป็นหนึ่งเป็นเ อ, เนเอกตาลมมีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติธรรมความมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติธรรมคือว่าเราจะมีสติเห็นอารมณ์ทุกขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราเมื่อตาเห็นรูปมีความพอใจมีความไม่พอใจสติปัญญาเราจะเห็นอาการนั้น เมื่อหูได้ยินเสียงอารมณ์เกิดขึ้นภายในใจของเรามีความพอใจมีความไม่พอใจสติปัญญาเราจะเห็นอาการเหล่านั้นกิ่นรดสัมผัสสมเือนกันสติปัญญาเราจะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจหมกดมกลิ่นลินสัมผัสรสกายสัมผัสเจนน้องนอนแข็ง ความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจสติปัญญาจะเห็นนาการเหล่านั้นเมื่อสติปัญญาเห็นนาการเหล่านั้นเราก็จะรู้จักพิจารณาเมื่อเห็นรูปวัตถุก็จะรู้จักพิจารณาเห็นรูปนั้นว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมย่อมแตกสลายไปแสงเราก็เป็นการแต่รูปสิ่งที่มีชิสตารเราก็สามารถที่จะบองพิจารณาเห็นรูปภายนอก จะเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายก็ตามมองทะลุปไปถึงความแก่มองทะลุปไปถึงความตายคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปนั้นสติปัญญาซึ่งเข้าไปพิจารณาจิตก็วางเป็นเบี่ขาก็วางเป็นกลางเสียงก็เหมือนกันเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจสติปัญญาก็เข้าไปพิจารณาเห็นว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นก็ดับไปหูเป็นเพียง เชื่อมเชื่อมต่อเท่านั้นแต่ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในใจติดลดสัมผัเสเหมือนกันสติปัญญาต้องเข้าไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์มันั้นเดือเสมอๆการที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาอยู่เช่นนี้อยู่ตลอดเวลานั้น ก็ต้องอาศัยกําลังของสติกําลังของสมาธิซึ่งทําให้จิตตั้งมั่นมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นถ้าจิตของเรานั้นไม่มีความสงบเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตของเรานั้นก็วิ่งไปกับอารมย์ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมีความพอใจมีความไม่พอใจในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติมีสมาธิเสร็จขึ้นแล้วเนี่ย เราก็จะมีกูบายปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในจิตใจงเราอยู่เสมอสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถกิมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเราได้แม้ว่าจะปล่อยวางเพียงชั่วคราวก็ยังดีทําให้จิตใจเรานั้นมีความสมบงบเจเย็นเกิดขึ้นจะมีความโลภเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาพิจารณาละความโลภออกไปจากใจเราจะมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะมีสติมีปัญญา ที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธออกไปแจกแจงเราอุบายโดยปกติแล้วการละความโลภน้ำก็พิจารณาถึงมรณะนุสติกวิธีของเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดไม่สามารถที่จะไหไปได้หรือพิจารณาให้เห็นปัจจัยทัสี่เป็นแต่เพียงธาตดินท่าน้ํท่าลมรถไฟและคนผู้อาศัยก็เป็นแต่เพียงธาตุดินท่าน้ํา่าลมรถไฟก็พอที่จะบรรเทาความโลภออกไปได้ พิจณาแก้ไขความโกรธก็จเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันซึ่งเราทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่การที่จะมีสติมีความอดทนมีความอดขั้นต่อลมนั้นถ้าจิตของเรานั้นไม่มีความสงบจิตของเรานั้นก็จะยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายคือความโกรธคือความไม่พอใจไปด้วยเราไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันว่าจิตของเราณขนาดนี้มีความโกรธเกิดขึ้น มีความไม่พอใจเขึ้นเพราะจิตกะละอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเราต้องทําให้มากจะเลยให้มากเพื่อที่จะทรงจิตให้เป็นเอกตาลโรมคือจิตเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาในทุกๆุกเหตุผลไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือ ท, ทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถรักษาจิตเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งได้อยู่เสมอ อารมทุกขลมณ์ทีเกิดขึ้นภายในใจของเราซึ่งเป็นกิเลสอย่างยามคือความโลภคือความโกรธคือความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นภายในใจงเราสติปัญญาจะเห็นและสามารถที่จะมิวบายพิ่จรณาระวางออกไปแม่เนเตียงชั่วข่าวก็ยังดีแต่ถ้ากำลังของสติปัญญาไม่เพียงพอเราก็ย้อนกลับมาทําสมาธิเพื่อให้จิตของเรานั้นมีกําลังซึ่งเข้มแข็ง นี่กำลังที่จะยกอารมณ์ออกไปจากจิตใจงเราได้ถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาอารมณ์อยู่เสมอภายใน ใ, นใจเราการละวางอารมณ์นั้นโดยการพิจารณาปล่อยวางอารมณ์นั้นก็ออกไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะว่าวันนี้พิจารณาอารมณ์อันนี้เมื่อจิตเห็นรูปมีความพอใจในรูปไม่ว่าจะรูปวัตถุหรือสิ่งที่มีชีวิาตกรตังวันนี้พิจารณาในรูปอันนี้เห็นความไม่เที่ยนความไม่ใช่ตัวตนของรูป ใจก็ปล่อยวางไปวันนี้พิจารณาเสียงอันนี้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยนความไม่ใช่ตัวตนความเกิดดับของเสียงอันนั้นก็ปล่อยวางออกไปแต่พรุ่งนี้เราก็แจ่รูปใหม่ก็เกิดความพอใจในรูปไปก็ต้องพิจารณาอีกได้ยินเสียงใหม่เราก็ต้องพิจารณาอีกพิจารณาในรูปเสียงที่เราสัมผัสในทุกๆวันไม่ได้หยุด เพราะจิตนั้นมีหน้าที่การงานแห่งการพิจารณาลงภายในแต่งเราเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอเสอในทุกๆวันเราเห็นว่าอารมณ์ต่างๆนั้นบรรเทาบางเียงชั่วข่าวเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะละหมดไปจากจิตแใงเราได้เพราะจิตของเรานั้นมีต้นตอแห่งความยึดปั่นถึงมั่นในร่างกายเรานี้แหละพราเป็นตัวตนของเรา อารมณ์ต่างๆจึงเกิดขึ้นไปในใจเรามีความโลภมีความโกรธมีความกระหน่ำดีในกายทั้งหลายเพราะจิตนี้มีความยึดมั่นในร่างกายเรานี้ว่าเป็นตัวตนของเราความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงให้พิจารณาร่างกายเรานี้ให้เป็นให้เห็นเป็นกรรมฐานห้าคือผมควรเล็กฟันนังให้พิจารณาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน ให้เห็นเป็นปฏิคูลหรือพิจารณาอาการสามสองในกายตนหรือในร่างกายบุคคนอื่นให้เห็นเป็นศักทว่าเป็นชิ้นส่วนแยกแยะออกไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมขนเล็ดฟันหนังหรือไอวัตต่างๆไปในร่างกายอันนี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาทับปลายอุปทานคือความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนหรือถ้าเรามีกาลังจิตซึ่งเข้มแข็งขึ้นจะพิจารณาสภารกกรรมฐาน เลยสติปัญญาจะพิจารณาธาตุธมฐานแยกแยะพิจารณาเห็นเป็นส่วนต่างๆเป็นท่านดินท่าตน้ำธาตลมทธาตุไฟพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอยู่เสมอภายในจิตใจงเราความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็จะค่อยๆบรรเทาวางไปการที่สติปัญญานัจะพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆในร่างกายเราได้นั้นก็ต้องอาศัยพื้นฐานงจิตที่มีสมาธิ าการจะมีสมาธินั้นก็ต้องอาศัยการจำความเพียรโดยสม่ำเสมอโืยการควบคุมจิตใจเงเรานั้นว่าเราทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงจะปรากฏขึ้นไปในใจของเราเริ่มต้นตั้งแต่ควบคุมในการจำวัดการพักผ่อนนั้นให้รู้จักความพอดีโดยปกติแล้วพระภิกษุสามเณรนั้นควรพักผ่อนประมาณวละสี่ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนอกจากนั้นเป็นเวลาที่จะ ทำสติทำสมาธิทาความเพียรตลอดทั้งวันส่วนกิจวัตรตทำวันนั้นก็ทําด้วยความมีสติการกบฉันพัฒหารนั้นก็ควรที่จะพิจารก่อนฉันในขณะฉันในหลังฉั น, ฉนเพื่อรู้จกักที่จะประมาณในการใบโพธิ์ถ้าเรารู้จกักพิจารณาอาหารเพื่อรู้จักการไปมาณในการใบโพธิ์ไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปให้มีความพอดีเกิดขึ้น การเพื่อที่จะทําความเพี่ยนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเรารู้จักการประมาณในการบริโภคเราก็จะรู้จักการปริมาณในการใช้ปัจจัยสีทั้งหลายเราจะรู้จักที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้รู้จักความพอดีในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราควบคุมจิตใจเรานั้นให้นอนแต่เพียงพอดีการกบขันแต่เพียงพอดีการการทาความเปลี่ยนให้หนักไว้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ซึ่งห่วง ร่างกายของเรากลัวร่างกายจะสุขภาพจะทุดโทรมกลัวร่างกายจะป่ายผอมกลัวร่างกายจะไม่มีบันนะักอันตรายความคิดเช่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นร่างกายจะทําความเปลี่ยนนั้นธรรมะที่พระพุทโธท่านตนักไว้การประพฤติปัจบัตินั้นบุคคลขึ้นจะรู้เห็นธรรมานั้นอยู่ภากตายคือต้องตลาดชีวิตตลาดทึกสิ่งทุกอย่างเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรม เมื่อเราทุกคนมีความมุ่งมั่นในการประพฤติัจริงจังทําความเพี่ยนไม่ท้อถอยเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเป็นต้นฐานแห่งจิตเราก็สามารถที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณาในกายกตาสติเรือสุภากรรมฐานหรือท่ากรรมฐานให้เดือดขึ้นไปได้แต่ถ้าจิตของเรานั้นไม่มีกาลังของสมาธิไม่มีกําลังหนึ่งสติปัญญาเราจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจิตของเรานี่ยก็ไม่เห็นชัด เมื่อเห็นรูปบุคคลอื่นก็เป็นสิ่งที่สวยงามไม่สามารถที่จะพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นเป็นท่าตาบมบางชาติได้ทั้งๆ ท, ที่ว่าร่างกายของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อลอกหนังออกก็ไม่มีอะไรมีแต่น้ําเลือดน้ําเหลืองน้นําหนองมีแต่อว่าภายในซึ่งเป็นปฏิคูณทั้งสิ้นทั้งชายท่านหญิงมีสภาพเช่นเดียวกัน เพราะนั้นเราทุกคนควรที่จะทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มีกำลังของสมาธิมีกำลังของสติปัญญาในการที่จะพิจารณาถ่ายสอนความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายของเราเมื่อจิตพิจารณาอยู่เสมอๆในทุกๆวันว่าร่างกายเหล่าเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยท่าดินท่าน้ำา่าลมท่าไฟพิจารณาแยกแยะส่ว น, นต่างๆจะเป็นพิจารณาผมก็ดีหนังก็ดีหรือกระดูกก็ดี พิจารณาสั้นๆเพียงสั้นๆจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้จิตของเราก็จะค่อยๆถ่ายตอนความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนขึ้นเตี้ยๆเตือน้อยเมื่อจิตใจของเรานั้นเห็นความจริงในเรื่องร่างกายของเราความยึดมั่นถึงมั่นก็น้อยลงไปความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธก็บันเทาบางไปความหลงในกายตนก็ค่อยๆบันเทาบางไปความสงบความเย็นใจก็เกิดขึ้น ความกำนังดินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไปเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามพิจารณาทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาถ่ายถอนความยิดมั่นถือมั่นในตัวตนที่จะได้ที่น้อยออกไปพิจารณาร่างกายสลับกับพิจารณาลงไยในใจของเราแม้จะพิจารณาถ่ายถอนความยิดมั่นถือมั่นในร่างกายไว่วนหนึ่ง แต่อารมณ์ภายในจิตแจงเรานั้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิริสัมผัสยังมีอยู่สติปัญญาก็ต้องเข้าพิจารณาอารมณ์นั้นทุกๆวันถ้าจิตนั้นมีความทุกข์มีกิเลจเกิดขึ้นก็พิจารณาอยู่ตรงนั้นแหละมีความทุกข์ในเรื่องรูปก็พิจารณารูปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ยงตัวตนมีความทุกข์ในเรื่องเสียงกิริสัมผัสก็สติปัญญาก็เข้าพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ยตัวตน ของเสียงที่ลดสัมผัสเพื่อจิตของเรานั้นจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมจิตว่างจากอารมณ์อยู่เสมอเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราทําสมาธิเราก็ ย, ย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายยกร่างกายขึ้นมาพิจารณานี่แหละถ้าจิตของเราดันได้มีความสงสัยในเรื่องร่างกายของเราร่างกายบุคคลนั้นก็นต้องยกร่างกายขึ้นของเราขึ้นมาพิจารณาซ้ซําๆซากๆ จนกระทั่งจิตเห็นชัดขึ้นถ้าจิตเห็นชัดขึ้นก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปทีละส่วนทีละส่วนถ้าจิตเห็นละเอียดขึ้ น, นปล่อยวางร่างกายส่วนด่างออกไปเนี่ยความยินดีความยินร้ายในรูปเสียงกิริยสัมผัส ต, ต่างๆก็บรรเทาบางลงไปบางครั้งการพิจารณาในรูปเสียงกิรลยสัมผัสอาจจะดิดการพิจารณาอะไรก็ได้เพราะจิตนั้นเข้าใจความจริงถึงเรื่องรูปเสียงกิริยสัมผัส ว่ารูปนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสสัมผัสต่างๆก็ไม่เที่ยงการพิจารณทาทซ้งาำๆก็จะทําให้จิตปล่อยวางสิ่งต่างๆภายนอกได้นี่ถึงแม้ว่าจิตของเรานั้นก็ยังมีอารมณ์มีคดีอยู่ที่เด็ดเลยอารมณ์ส่วนละเอียดนั้นก็มีอยู่ภายในใจมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงิรสสัมผัสต่างๆก็ตามแต่ไม่เคยอารมณ์เมื่อตายรูปหูด้ินเสียง ก็จะเกิดอารมณ์ไปในแจงเราในขณะที่สติสมาธิอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นสติปัญญานั้นก็ต้องท้อพิจารณาอารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในแจงเราเพื่อที่จะปล่อยวางองารมณ์ออกไปจากจิตแจงเราตีลเล็กตีน้อยเพื่อที่จะทําให้จิตเรานั้นว่างจากอารมณ์เมื่อจิตของเราว่างจากอารมณ์ภายในแจงเราเราก็ย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายเนี่ยส่วนละเอีย ด, ดยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา ให้เห็นเป็นไอสุภากรรมฐานหรือธาตกรรมฐานพิจารณาทะลุเข้าไปถึงความว่างจนไม่มีอะไรพิจารณาซ้ำแั้วซ้กจนติดค่อยๆปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนความขนักยินดีในการทั้งหลายก็ค่อยๆบรรเทาบางลงไปนิสติปัญญา<ไ>ซึ่งเข้าพิจารณาเห็นชัดในร่างกายตนจะเป็นร่างกายอดีตก็าตามร่างกายเพิ่งแต่นาคตก็าตามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ยตัวตน ของร่างกายขอยงเราของร่างกายบุคคลหนงึงจนกระทั่งถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายปัจจุบันนี้ให้ได้เมื่อสติปัญญาเห็นชัดว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเปลียงชื่วข่าวเท่านั้นถ้าจิตเห็นชัดภายในใจของเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็เดขาดจิตเพื่อเป็นธรรมขึ้นมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็ไม่มี ราคาความกหนดัดดินดีในการทั้งหลายก็หมดไปความโลภก็ดับไปความโกรธก็ดับไปความหลงในกายตนก็ดับไปสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นแต่เพียงความว่างเท่านั้นเพราะจิตมองเห็นรูปเสียงจิตเราสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงความว่างมีแต่ความเกิดขึ้นแล้ดับไปแม้ร่างกายของเราก็เหมือนกันก็เป็นแตะเพียงความว่างติดตของเราอาศัยร่างกายคือธาตุสีเน้นเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้น แต่ใจเหล่านั้นก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลเด่ในวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะสติปัญญาซึ้นเข้าไปพิจารณาอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งอยู่มีแต่ความแตกสลายไปในที่สุดถ้าจิตเห็นชัดกระจัดขึ้นที่ใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นเพียงธาตุต่างๆชาติใจที่เห็นชัดก็จะเป็นธรรมขึ้นมาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง พอไปแก่กิจใจของเราความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปความหลงในวัตถุธาตุก็ดับลงไปมีแต่ความสงบความเยือกเย็นไปยในจิตใจของเราอันเกิดจากการที่ละความโลภละความโกรธลงไปใจใจของเราความสุขซึ่งเยือกเย็นก็เกิดขึ้นเพราะความเราร้อนนั้นดับลงไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากิจของบุคคลขึ้นประพฤติปฏิบัติละความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนได้แล้ว แต่จิตนั้นก็ยังมีความหลงส่วนละเอียดซึ่งหลงอยู่ในจิตส่วนละเอียดภายในจิตที่หลงอยู่ในเปรตนาของจิตสัญญาของจิตหรือสังขารของจิตหรือวิญญาณของจิตนั้นสติปัญญาก็ต้องพิจารณาขั้นละเอียดต่อไปให้เห็นเป็นอนิจจ์ทุกข์อนัตตาเมื่อผู้พิจารณาละเอียดจึงกระทั่งจิตเห็นชัดไปจากขึ้นที่ใจทีละส่วนทีละส่วนก็ค่อยๆปล่อยวางกว่าคิดมัน่นถึงมั่นออกไป จิตจึงจะเกิดความสากแกิความเบีย่ยงเบเกิดขึ้นไปในใจของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินั้นพึงพยายามที่จะกระทำความเพียนในเบื้องต้นต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมาก่อบควนจิตใจงเราให้จิตใ จ, จเรานั้นพร่งสร้างไม่เกิดความสงบขึ้นไปในใจของเราถ้าเราปล่อยจิตไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตของเรานั้นก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความหลงไปกับเรื่องทั้งโลก หลงไปกับเรื่องราภยศสารเสนหลงปรุงแต่งไปกัเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเจิบติดของเรานั้นไม่สงบเพราะใจของเราไม่รู้จักควบคุมกิตใจเรานั้นให้เกิดสมาธิขึ้นมาไม่ปราศลุบความเปลี่ยนที่จะต่อสู้ขบเคี้ยไปในใจงเราเพราะฉะนั้นการประพิธีบัตินั้นในทุกๆวันนักประกอบิบัตินั้นที่ทจะมุ่งไปบัตรเพื่อมรรคผลนิพพานต้องยอมตลาดทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องยอมฝืนจิตใจมีความอดทนฝืนกระแสของเกลียกระแสของอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกยียก็ต้องฝืนแต่ที่ครูบาอาจารย์หลวงพระอาจารย์ท่านบอกไว้ที่เกยียก็ต้องฝืนในการทําความเพียนข ย, ยันเราทำอยูแล้วแต่ที่เกยียดนั้นเราจะฝืนได้ไหมในการที่จะลุกขึ้นมาเดินโกมในนั่งสมาธิเมื่อไม่อยากจะทาําคําเพลียนเราจะฝืนจิตใจใเราได้ไหมในการที่จะอดทนทำความเปลี่ยน โดยมากแล้วเมื่อเราขี้เกียจเราก็จะนอนเมื่อเรามีกิเลสเราก็จะฉันมากเมื่อเราไม่อยากจะทําความเพียนเราก็จะไม่ทำํำเราก็ปล่อยจิตของเรา น, นไปกับอารมณ์ทั้งหลายปรุงแต่งไปในเรื่องไร้สาระส่งเสริมให้เกิดกิเลสที่จะเถลิ่นจิตแจงเรานั้นซึ่งจะทําให้จิตแจงเรานั้นเสื่อมถอยกายจะความเพีย่ยนลายจะ ก, การปฏิบัติเมื่อจิตนั้นถูกกิเลส ร, รุ่มร้อน หรือว่าข้อบมัมกิจใจก็ไม่สามารถที่อยู่ในได้ในเพศปัณนะหรือไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเพศภาคกาคาภักเพราะอารมณ์ของกิเลสนั้นปงแต่งเกิดขึ้นไปในจิตใจเราจนไม่มีสติปัญญาที่จะห้ามที่จะคุ้มครองจิตใจเรานั้นให้ปัสจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินั้นถ้าไม่เคยทาความเพียรก็ไม่สามารถที่จะแก้เผากิเลสภายในจิตใจเราได้ ถ้าบุคคลซึ่งมุ่งหวังการทำความเพียนนั้นก็มีเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละในชีวิตของเราเราเกิดขึ้นมาแล้วเราอยู่ในเพศสมณะสมเดนมีชีวิตคือเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละเราจะทําอะไรให้เป็นแส็งสารสาระแก่จิตใจราบ้านชีวิตของเรานนั้นไม่แน่นอนเมื่อเราจำวัดไปแล้วลมหายใจจะหมดสิ้นไปก็ได้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละคืนผมก็พูดอยู่เสมอแล้วว่า ในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นให้ทำความเปลี่ยนให้เต็มที่ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำํำทำมากทําน้อยก็ทําให้ได้เต็มที่ให้มันสมภูมิกับที่ได้เข้ามาบวชมาปฏิบัติไม่อะไรในชีวิตไม่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหวังที่จะทําจิตแจงเหล่านั้นให้รู้ทำให้เห็นทำให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักฝืนจิตใจของเรานั้นที่จะต่อสู้กับกิเลสทุกแง่ทุกมุมแมนกิเลสมีอุปายปัญญา ในการที่จะมาหลอกลวงจิตใจงเราก็ตามติปัญญาต้องรู้เท่าทันกิเลสในทุกๆขณะดจิตถึงแม้ว่าไม่รู้เท่าทันเมื่อเรามีสติที่จะต่อสู้กุศเลสเราจะต้องฟื้นที่จะยักกิเลสให้ได้วันนี้เราแพ้พรุ่งนี้เราต้องชนะพรุ่งนี้เราแพ้มรรเด น, นี้เราต้องชนะต้องตั้งไว้ภายในจิตใจเราอยู่เสมอว่าเราจะชนะกิเลสระดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตใ จ, จเราให้ได้ ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตใจขอยงเรานั้นตกไปทาตของกิเลสนับภพรบับชาไม่ด้วนเพราะฉะนั้นผู้มุ่งหวังในการปฏิบัติธรรมเมื่ออยู่ในไปนาสนัที่สงัดแล้วมาอยู่ในสถานที่อย่างนี้แล้วเราก็มีเวลาทําบุญเพียรมากพอสมควรไม่ใช่ว่าเราจะห้างว่าเราไม่มีเวลามีกิจภาระยุ่งยากมากความจริงนั้นถ้าพิจารณาดูให้ดีเวลาเรามีมากหรือเกินในแต่ละวันแต่ละคืนนั้น แต่เราทําความเพียรให้เสรมภูมิกับที่เข้ามาอยู่ในเพศภาคกาสาร์พักหรือเปล่าหรือละปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนถ้าเราพยายามเฮาบายปัญญาให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเพียรอยู่เสมอสติสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นในการที่จะทชำระกิเลสให้ออกไปจากจิตแจงเราแต่ถ้าเราไม่หฮาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรแล้วกิเลสก็เข้ามาจัจิตใจของเราเฮาบาย ก็เป็นอุบายของกิเลสในการที่จะทําลายจิตใจเราให้จิตใจเราเศ้าหมองให้จิตใจเราปรุงแต่งไปในเรื่องทั้งโลกปรุงแต่งเสริมแต่งให้เห็นแั้งโลกเป็นสิ่งที่สดสวยงดงามปรุงแต่งให้เห็นว่าทั้งโลกเป็นสิ่งที่ดีเลิศเลยเป็นสิ่งที่พิเศษเพรกะนั้นเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมนั้นเป็นคนละเรื่องกันเมื่อกิเลสแกก้ามาก่อนศีลสมาธิปัญญาก่อนแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งกิเลสก่อน พระะนนบุคคลซึ่งมุ่งหวังในการที่จะชำระกิเลาะจจากจิตใจของแต่และบุคคลพึงพยายามปราลบความเปลี่ยนไปเสมอเพืงพิจารณาบารนารุสติกไปเสมอพึ่เจริญกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานหรือพุทธานุสติกกรรมฐานอยู่ภายในติดแจเงเราให้มีสมาธิเกิดขึ้นและเจริญกยายกตาสติกหรือสภาวะกรรมฐานหรือธาตุก ร, รานให้เห็นอนิจจทุกขังอนัตตาอยู่ในทุกๆวัน ใจของเราเด้นก็จะสามารกิเลสให้บันเทาปบาไปได้ให้ความคิเ็สพอสมควรก็พ อ, อยึดติดที่เด็กตัวนี้ หนาอะไรไหมในเรื่องการรอนาถ้าไม่มีปัญหนาอะไรก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำคอาเพียนให้มากในทุกๆวันทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ยินได้ฟังได้รู้แนวทางในก า, าปรปฏิบัติมาพอสมควรแล้วเดยกที่ว่าพวกเหล่านั้นจะมีความตั้งใจ ในการที่จะประพิบัติแค่ขนาดไหนก็ต้องฝืนก็ต้องอดทนในการที่จะทําความเพียนที่จะเอาชนะกิเดสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลให้ได้การสันตบัติเป็นที่ตองวัดฝึกขูดเกา่าจิตใจไม่ให้ติดในรสฐานไม่ให้เกิดความอยากในรสฐานมากมายนะ มันก็ขุดเก่ามันก็ทอมานจิตใจดีที่มันจิตใจมันดิ้นอยากจะชำนานดีๆมันก็ไม่ได้ตามพัฒนามันก็เป็นการที่จะตีกิเลสภายในใจ เ, เราควบคุมกิเลสตักกิเลสไหมก็ดูอารมณ์ดูอาการภายในจิตให้เราก็ต้องรู้จักว่าถ้าฉันตกบาปเราก็ต้องพอใจในอาหารเฉพ่อในผ่าน ถึงแม้ว่าเรานั่งชันกระโบนอาหารที่ผ่านมาอาหารที่ผ่านมาเราก็ส่งผ่านไปแต่เราก็พิจารณาดูว่าใจเราเราก็ต้องมีสติมีสมาธิำกำหนดจิตให้เป็นเบกคาอาหารที่ผ่านมาดูว่าถ้าเราเห็นปัญกาลองมองดูพิจารณาดูใจมันเกิดความอยากไหมถ้ามันเกิดแคความอยากเราก็ต้องพิจารณาให้เป็นอ า, าเลเป็นคูณขัญญา ใเห็นอาหารทั้งหลายเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมทังไปหรือว่าทำสมาธิตัดอารมณ์มันออกไปแต่ว่ามันก็คงถูกตัดด้วยการที่จะทำข้อวัดโดยการที่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดอาหารที่ผ่านหน้าเราอยู่แล้วมันก็เป็นการควบควมุมเป็นการปรมาณกิเลสไปในใจเราอยู่ในตัวแต่ว่าก็ควรที่จะพิจารณาอาหารด้วยถึงแม้ว่าอาหารที่รับมาจะพอบินตาบ ถ้าเรามีเวลาก็ควรที่พิจารณาก่อนฉันด้วยให้เห็นเป็นอาเลยปฏิบวนสัญญาหรือพิจารณาขนาดฉันให้รู้ลดสัมผัสที่แค่โกนลิ้นแค่ปลายลิ้นแค่นั้นแหละลงลงไปในลําคอก็ไม่มีอะไรลงไปสู่กระเพาะก็ไม่มีอะไรไม่แยกเป็นอาหารหวานอาหารเค้าเป็นกออระเพาะอันเดียวหรือพิจารณาหลังฉันพิจารณาหารในกระเพาะอาหารทึ่แยกออกไปเป็น ของดีก็ดูชืึมไปตามส่วนต่างๆร่างกายใไปตามเป็นเลือดต่างๆบำบองหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนที่เป็นของเสียก็เป็นกากของหนักของเบาไปอย่างพิจารณามันตลอดก็สามารถที่ทาได้ตอนนี้ก็วัดเราก็บุคคลหน้าเราก็เหมือนจำพรรษาแล้วล่ะตอนนี้ก็ไม่มีทุรักไปไหนกันมากนี่ก็ภาวนาก็ไม่ต้อง จะทำข้อวัดอะไรก็ไม่ใช่ว่าต้องเข้าภาษาจึงทำได้ทำได้ต่อเวลาถ้าเราอยากจะทำข้อวัดตรงไหนที่ผูดเกา่าเกลิกเราหรือที่นี่ก็คงไม่มีอะไรพากันทากิจจะวัดประจาวันทมปกตินอกนั้นเวลาส่วนตัวก็พยายามที่จะภาวนากันให้มากมาอยู่แล้วพยายามทาความเพียยนั้งมาก ทำให้มันจริงจังนะเลยคณะใครมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรจะพาเล่น